มหาสติปัฐานสูตรโดยดังตรินกําจัดตัวการที่ทำให้ขาดสติขั้นแรกของการฝึกมีสติอยู่กับสภาวะธรรมถ้าผ่านการฝึกสติมาถึงขั้นนี้ เราจะเริ่มเห็นรำไรว่าตัวเองมีสิทธิทาลายอุปาทานในกายใจได้แน่เพราะกายใจถูกถอดแยกทีละชิ้นเหมือนปอกกากลวยทีละกาบจนเกือบจะเห็นอยู่รอมรอว่าแก่นแท้หามีสิ่งใดไม่นอกเสียจากความว่างเปล่าหาตัวตนเป็นชิ้นเป็นอันให้จับต้องไม่ได้เลยเมื่อจวนเจียนจะรู้ความจริงกาลังใจและความกระตือรือร้อน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 แต่หากกำลังของสติยังอ่อนความติดใจในกามยังไม่หายไปก็ต้องอาศัยคู่ปรับของความติดใจในกามนั่นคือการระลึกถึงกายโดยความเป็นของศกกะระกไล่จากผมขนเล็บฟันหนังไปจนกระทั่งของโโครกเน่าเหม็นที่อยู่ข้างในดังที่เคยผ่านมาแล้วเมื่อฝึกมีสติอยู่กับกาย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 เหมือนตอนหายป่วยแล้วกลับมีกำลังวางชาสดใสกันใหม่แต่หากํำลังของสติยังอ่อนความตรึกนึกถึงเรื่องหน้าขัดเคืองไม่หายไปก็ต้องอาศัยคู่ป ร, รับของความผูกใจเจ็บนั่นคือการแผ่เมตตาเริ่มต้นด้วยการทำความรู้สึกตัวตามจริงเห็นว่าผูกใจแล้วใจตัวเองนั่นแหละที่อึดอัดคัดแน่น หรือกระทั่งเร่าร้อนทอรมานหากหายจากโรคทางใจพันนี้เสร็ได้คอยโล่งกายโล่งใจหน่อยวิธีหายจากโรคพยาบาทก็คือใช้ยาชื่อว่าอภัยอันไม่อาจซื้อหาจากไหนต้องปรุงด้วยใจซึ่งก็แค่เห็นเข้ามาที่จิตให้ได้ดูว่าเพียงวูบหนึ่งของการคิดอภัยจิตจะคลายออกจากอาการยึด เปลี่ยนจากแน่นหนักคับแคบเป็นโปร่งเบาและเปิดกว้างเหมือนคลี่ม่านดำเผยฟ้าใสเมื่อสภาพจิตที่โปร่งโล่งปรากฏขึ้นสิ่งที่ตามาเป็นธรรมดาคือความปรารถนาสันติสุขแก่ทุกฝ่ายทั้งเราทั้งเขาเมื่อเห็นธรรมชาติของการเกิดความรู้สึกดีๆเช่นนั้น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 และการตั้งจิตไว้กับความรู้สึกหดหู่ขอให้ทราบว่าความง่วงเหงาซึมเศร้าในที่นี้แตกต่างจากความง่วงเพราะเพลียที่ทำงานมาอย่างหนักและต้องการการพักผ่อนบ้างความง่วงเหงาซึมเศร้าในที่นี้เจืออยู่ด้วยความขี้เกียจยังไม่ถึงเวลาพักก็อยากพักยังไม่ถึงเวลานอนก็อยากนอน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 ถ้ามีเรื่องรบกวนจิตหรือเป็นผู้ไม่ชอบใจในความผาสุกสงบทางใจก็โน้มเอียงที่จะดิ้นรนซัดสายไปได้เรื่อยถ้าเริ่มฟุ้งซ่านแลรู้ว่าฟุ้งซ่านสตทิที่ขาดไปก็จะคืนกลับมาไม่ฟุ้งซ่านต่อและจะเห็นอีกด้วยว่าหลังจากความฟุ้งซ่านหายไปจะกลายเป็นสงบวิเวกเมื่อฟุ้งอีกก็พร้อมจะรู้ว่าฟุ้งอีก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 สวดมนต์ให้เสียงอันเป็นมงคลจากปากดังกลบเสียงอัปมงคลในหัวตลอดจนปิดตาทำความรู้สึกถึงสายลมหายใจที่ลากยาวแช่มช้าเป็นตน้นห ความลังเลสงสัยความลังเลสงสัยในที่นี้มุ่งเอาแง่ของการไม่โปรงใจในการเจริญสติและเหตุที่สงสัยก็เพราะไม่ใส่ใจโดยแยบคายเช่นคาใจในวิธีปฏิบัติและผลของการปฏิบัติไม่แน่ใจว่าที่ตัวเองทำอยู่ถูกหรือผิดได้ผลอย่างหนึ่งแล้ว จะต้องทำเช่นใดต่อไปถ้าเริ่มสงสัยแล้วรู้ว่าสงสัยสติที่ขาดไปก็จะคืนกลับมาไม่สงสัยต่อและจะเห็นอีกด้วยว่าหลังจากความสงสัยหายไปจะกลายเป็นความเชื่อมั่นเมื่อสงสัยอีกก็พร้อมจะรู้ว่าสงสัยอีกโดยไม่ไขว่คว ე ไปไหนไกลแต่หากกาลังของสติยังอ่อน ความสงสัยไม่หายไปก็ต้องอาศัยคู่ปรับของความสงสัยนั่นคือการทำความเข้าใจให้กระจ่างซึ่งก็อาจต้องอาศัยครูบาอาจารย์หรือตํหรับตําราช่วยการด้นเดาหรือเสี่ยงผิดเสี่ยงถูกทั้งไม่แน่ใจรังแต่จะก่อผลเสียไปเรื่อยๆในระยะยาวได้